6. ตัดสภาบิยสิกาว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการลงโทษแก่ผู้ทำผิดเรื่องพระอุปะวาระสมัยนั้นพระอุปะวาระถูกซักถามอาบัตในท่านกลางสงปฏิเสธแล้วรับแล้วปฏิเสธ เอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษและพากันตาหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนพระอุปวาระถูกซักถามอาบัตในถ้มกลางสงจึงได้ปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เล่า แล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุอุปาวาระถูกซักถามอาบัติในถ้มกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเ ท, ท็จทั้งที่รู้จริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิและครั้นทรงตำหนิแล้วละทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงลงตัดสปาปิยศสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาระ